พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มกรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอย่ามองข้ามเรื่องสีาลาจรวัตรเฮียพระเ น, นลูกหลานสถาญาตโยมทั้งหลายเข้าเข้ามานะคอยกันนานแล้ว มาถึงได้ยังถ้าใครมาถึงแล้วก็เข้านั่งประจําที่พวกเราจะได้เริ่มพิธีกรรมพิธีการอวันนี้เดี๋ยวจะประกาศให้คณะพระเนนลูกหลานสทาญาิโยมได้รับรู้รับทราบ ร, ร, ร่วมกันดูโดนแล้วยังเห็นเดินทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่นี่มาหมดได้ยังลูกหลานคงจะหมดแล้วมั้งบัดเนี่ยเงียบๆแล้ววะเออถ้าพวกเราพร้อมแล้วกันนะพร้อมแล้วก็ ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็อันนามมาทางพระประธานกราบพระประธานจากนั่งกักราบหลวงพ่อใหญ่ของพวกเราจะได้พาคารวะพร้อมกันาจากนั่งก็จะได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อของเราตามโอกาสอันสมควรนะ ม, มีพิธีกรรมพิธีการอะไรก็จะต่อเนื่องทําต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเอากราบพระประธานพร้อมกันน่นกราบ มันดำยังบุทัศภกกวัตโตปมบพภัง a ันนะมะกาลังโรมาเสนทัศน์ภะกกวัตโตอรหันสัมมาสัมบุทัศน์นะโมตัสน์ภะวตโตอตโตสัมมาสัมบุทัศน นามนัสัภพากวัตตวัตตสัมสัมบัตสายกเครื่องสักการะขึ้นพอประมาลไว้เฉพาะหน้านะอเทเรปามานเณนานาวารตัยนขคตัง สับังอะปราถังขมะตุนโนพันเตเทเรปามันเดนะดาวรตเยนัขตังสับังอะปราถังขมะตุนโนพันเตเทเรปามั n เดนะดาวรตเยนักขตัง สบับบางอภปรทาทังตุนดพันเตงเครื่องศั ก, กร ะ, ะของญาติโยมก็เข้ามาเริ่มเริ่มเป็นแถวมาแล้วไปเลยนะเขมมอืมถ้ามีถ้ามีนะเครื่องสั ก, กร ะ, ะของญาติโยมคุณแม่ขาวนางชีมันเข้ามาก่อนนะแล้วก็ญาติโยมตามมา เตรียมพร้อมเตรียมเป็นแถวไว้ใกล้ๆนี่แหละนะอ้าหมอบกราบลงทีนี่พวกเราท่านทั้งหลายมีหลวงพ่อคำสดเป็นประธานได้มาได้มากราบคารวะกับคณะสงฆ์สองอำเภออำเภอนามโสมอำเภอนายุงนะที่ได้มาคารวะหลวงพ่อตาม ประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ก็เป็นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำคือเข้าพรรษามาสิบห้าวันวันนี้คณะสงฆ์ได้ลงอุโบสถสามัคคีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มากราบมาคารวะหลวงพ่อตามประเพณีพร้อมกับคณะสัต ย, ยาญาติโยมวันนี้รู้สึกว่ามากพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพั้งหลวงพ่อ ด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทุงพ่อเองยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกๆท่านและก็ขอให้บอกให้พวกเราสํารวมระวังการประมาทาพลาดพัง้งการดูถูกผู้อื่นเป็นผลที่ไม่ดีมันเป็นอกุศลทางด้านจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราสํารวมระวังไม่ได้ไม่ให้คิดไปในที่ชั่วนะ ไม่ให้คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนั้นดีที่สุดนะแต่มันก็ห้ามยากแต่ที่อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของพวกเราจะห้ามพวกเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทผาัดพังที่ผ่านมาแล้วหลวงพ่อจินดีอโหสีกรรมให้กับพวกเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญในธรรมแล้วก็ให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุด อะหังขมามิตุมเหหิปิเมคมามิตับบังเอวังหตุเอวังหัตุโยจะปุบเบปมัติชิตตวาปัตสาโซนปมัตสติโซมังโลกังปพาเซติอภาุตโตวจันทิมาอภิวาทานสีลิสนิตยังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวัทานติ อาอยุวันโนสุ ข, ขังภาลังเอาต่อไปก็คารวะทราบว่าคารวะหลวงพ่อสดด้วยให้จบพร้อมๆกันนะนะโมตัสสะภะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุทัสสะ นโมตัสสะภะวะโตอะราหะโตสัมบาสัมบุต a สะนโมตัสสะภะวะอะราหะโตสัมบาสัมบุตตสะเทเรปมาเดนาดาวรตาเยนคตา สาบังอปาราทางขมะภุโนพันเตเ ท, ทเรปมาเดนานาวารตาตเยนาคาตังสาบังอปารามทางขมะภุโนพันเตเ ท, ทเรปมาเดนานาวารตาตเยนาคาตัง สับบางอปาราทางคามะทุโนพันเตอหังมามิตมิเฮฮิปิเมคามิตบางเอวังหตัเอวังหูตุโยจะปุเบปะมัตชิตวาปัชชาสุนับปะมัตสติโซมังโลกังปะพาเสติภาามุตโตวจันณิมายัสสะปาบังกะตังกัมบังกุเชลณนับเฮยติโซมังโลกังปะพาเสติ อภามตโตวจันติมาอภิวาเดนะสิริสานิจังุทธาปจชายโนยัตตารโอธรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังสิทธะมัทุสิทธมัทุสิทธมัุอิดังพลังเอตัสมิงระตนะตยัตสงสัมบะสาดาเจตโสภาวะตุสับพะมังพลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถิะวันตุเตตต่อไปพากันตั้งใจฟังโอวาทจากหลวงพ่อของพวกเรานะอยู่ในความสงบนะเอาต่อเ น, นี้ไปตั้งใจฟังนะคณะทายาติโยมลูกหลานพระเนรน้องนุ่งทั้งหลาย วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดเข้าพรรษามาก่อนสิบห้าวันวันนี้เป็นวันอุโบสถของพระด้วยแล้วก็พระครูบาอาจารย์ทางน้ำโสมก็มีการ ลงอุโบสถสามมกขีที่วัดภูนาหลาวเสร็จแล้วก็ได้มาพร้อมกันและกัทางอําเภอนายุงก็ทำอุโบสถเสร็จแล้วก็ได้มารวมกันที่วัดของหลวงพ่อจึงเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายหนานแน่นและกัคณะศรัทธาญาติโยมทั้งสองอำเภอและคงจะมากกว่านั้นอีกเพราะเป็นสิญาณุสิทธตมาจากยาตรุรทิศ มาทําบุญแต่ละวัดพอทราบข่าวว่าจะมีการเข้ามากราบพระวะครูบาอาจารย์ตามประเพณีในช่วงเทศกาลข้าพรรษาก็ได้ติดตามมาก็คงจะไม่น้อยพอเห็นธารของเราเนี่เต็มไปหมดอย่างที่พวกเราท่านทางหลายได้เห็นแต่ก็วันนี้ที่พระเทศครูบาอาจารย์น้องนงท้งหลายได้มารายงานหลวงพ่อ บอกกล่าวให้หลวงพ่อได้รับทราบว่าทั้งอำเภอนามนาโสมนายูงของเรามีพระมากขนาดไหนอย่างไรก็ทราบว่า อ, อำเภอนายูงห2 8รูปอำเภอนามโสม1 8ึรูปรวมแล้วทั้งสองอำเภอจำพรรษาในสองอำเภอพระสองอำเภออำเภอนายูงกับอำเภอนาโสมรวมแล้วนะสามรูป สมณเณรยี่สิบรูปและก็บอกชีด้วยทำนักชีชีมีทั้งหมด23สามคนในเขตอำเภอนายูน้ำโสมของเราก็รู้สึกว่ามากพอสมควรแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจก็คือตรงที่ว่าท่านเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมของเราที่เป็นเสาหลักให้กับพวกเราเพราะพวกเราหนีจากท่านไม่ได้ มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยท่านคือหลวงพ่อบุญมีนะสุมังคโรโอคือท่านพระครูพิสารปัญญาคุณตำแหน่งของท่านนะทราบข่าวว่าท่านไม่สบายเดือนนี้ท่านอยู่ทางกรุงเทพนะท่านไม่สบายไม่ได้มาจำพรรษาปีนี้เพราะตรวจสุขภาพแล้วก็เห็นว่าท่านไม่สบายก็เลย หมอก็เลยเอาไว้ทางกรุงเทพยังไม่ได้ขึ้นมาแต่อาการก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะปลอดภัยทุกอย่างอันนี้พูดทางนี้ท้งนั้นให้ฟังก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าในกลุ่มของเราครูบาอาจารย์ของเราเป็นยังไงและก็พร้อมพร้อมกันก็มีพระปัวอีกเหมือนกันคือหลวงพ่อเลื้งหลวงพ่อบุญเรืองหลุบเหลาหลวงพ่อบุญเรื้งสุขีตโต วัดป่าหลบเราอำเภอนายูงเน่เลยวัดป่าวังแค่บ้านวังแค่่ท่านก็ป่วยเดี๋ยวนี้ก็ไปพักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราครูบาอาจารย์ป่วยทั้งสององค์นในกลุ่มของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ปรึกษากับหลวงพ่อคำสดแล้วหลวงพ่อนิยมหลวงพ่อ เถืองแล้วก็ครูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายเนี่แหละตลอดหลุงพ่อเขบอกว่าอยากจะให้คณะสงฆ์ลูกหลานทุกคนแสดงออกซึ่งความเป็นน้ําใจทรงพลังจิตพลังใจไปให้พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ทั้งสองคืออาจารย์พัครูพิสารปัญญาคุณแล้วก็พระอาจารย์บุญเรืองนะสุกิโตที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้สวด เป็นพระปริตะมงคลเพื่อเป็นมงคลถวายเพื่อจะให้ท่านหายจากโรคาพยาตินะเพื่อส่งกระแสจิตกระแสใจพวกเราอยู่ห่างไกลก็ไม่รู้จะส่งยังไงเพราะเราไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอมีแต่ส่งกระแสจิตส่งบุญกุศลเกื้อกูลหนุนขอให้ปุกภาพของท่านของทั้ง ท, ทั้งสองหายวันหายคืนให้หายเร็วๆได้กลับมา วัดในกลุ่มของเราได้ดูแลบริหารจัดการดูแลพระสงฆ์น้องน่งทางหลายให้เป็นให้ได้รับความสงบร่มเย็นผาสุกนะอันดับแรกหลวงพ่อก็จะให้คณะสงฆ์หลวงพ่อคำสดหลวงพ่อนิยมแล้วก็นี่แหละทุกองคนี่แหละที่นั่งอยู่สวดอันดับแรก็ณโมตัสสะพุทธังจากนั้นก็นัดที่เมและก็ อเสวานาจากนั้นก็โพอดชพชงนะสวดโพอดชงสักสองจบเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้สวดเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ป่วยในครั้งพุทธกาลจากนั้นก็สวดสักกัตวาจากนั้นใครสวดผ้าหูนะเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเอาชัยชนะสิ่งที่มันไม่ดี ไอิทิปิโซสซะก่อนเลยแล้วกับผ้าหงจากนั้นก็ยังค่อยเพราะวัตุศรรัพท์ศัทธาญาติโยมก็สวดไปด้วยได้นะถ้าว่าใครสวดได้ก็สวดไปเลยสวดพร้อมกันกับพระสงฆ์นะถ้าสวดอันไหนได้ก็สวดอันนั้นแหละถ้าสวดไม่ได้ก็นั่งปนมมือสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จะนั่งปลกนะหลวงพ่อจะไม่สวดนะหลวงพ่อจะแผ่พลังจิตพลังใจเท่าที่มีนะส่งกระแสจิตกระแสใจ เปื่อยไปให้ท่านให้หายจากโรคโรคภัยไข้เจ็บเพราะพวกเราถึงยังไงก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมู่พวกเดียวกันคณะเดียวกันรักเคารพเมตตาซึ่งกันละการมาโดยตลอดแต่มาบัดนี้ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะพวกเราเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือไปทางด้านจิตใจแต่ว่าพวกเราก็ได้พูดไปอยู่ว่าถ้าว่ามีอะไรที่จะให้พวกเราช่วยเหลืออะไร พวกเราก็ยินดีนะยินดีที่จะพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนส่วนที่ส่วนที่มันขาดเหลือขาดตกบกพร่องนั้นแต่เราก็คิดว่า เ, เราก็มั่นใจว่าศรัทธาญาติโยมศรัทธาเจดโมกลุ่มทางนู้นก็คงจะดูแลอยู่แต่ถึงเอาเถอะนะถึงอย่างดูแลยังไงถ้าว่ายังขาดเหลือขาดตกอยู่ก็ขอให้ท่านได้บอกกล่าวมาพวกเราก็ยินดีที่จะสนับสนุน ในการอุปถัมปถาด้วยปัจจัยสี่ของท่านนะอันนี้พวกเราขอประวรัลนาประวัลนาและไม่ต้องเกรงอกเกรงใจถ้ามีอะไรที่จะให้พวกเราช่วยก็ยินดีนะเพราะว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็เมื่อหลวงพ่อให้โอวาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราคงจะได้ดำเนินตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาพร้อมกันปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะได้มาพบมาเจอกันใหญ่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถือหลวงพ่อจึงถือว่าเป็นวันพบญาติหรือว่าวันพบลูกหลานขอให้พวกพระเนนลูกหลานอันดับแรกหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราพระเนนลูกหลานทุกคนเพราะทุกวันนี้สื่อต่างๆพวกเราก็ได้ยิน มีรูกว่าสื่อไหนต่อสื่อไหนก็ามาโดยมากก็จะมาพูดกระทบกระเทียบบางทีก็กระแทกแดกดันก็มีนะแต่บางคนบางครั้งก็พูดตามความเป็นจริงแต่บางทีก็เป็นจริงจนเกินไปน่าจะพูดในที่รับมาเป็นพูดเป็นความลับมันมีนอกมีในอย่างนั้นก็ยังดีอันนี้ก็อยากจะแขวะอยากจะเปิดอยากจะเผย อยากจะให้คนทั้งหลายรู้จักทำให้เสื่อมเสียเสียหายได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านจะบวชพระท่านยังถามอันตรายยแกธรรมท่านยังถามออกนอกวงการนะท่านยังถามเป็นความลับสะก่อนจากนั้นท่านจะไดเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะพูดอะไรในที่สาธารณะอันไหนจะเสียหายอันไหนไม่เสียหายโดยมากชาวพุทธของเรา โดยมากจะพูดกันหลวมปากหลุดปากเอาพูดไปเลยไม่ได้คิดว่าความเสียหายจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นในวงการของพวกเราเราเขาไม่ได้คิดนะสิ่งเดียวนี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะถึงยังไงก็ตามนะพวกเราที่เป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพ่ก็อย่าให้มันเสียหายอย่างที่เขาได้พูดได้กล่าวให้สารวมระวังนะนเน้อพระเนนลูกหลานของเราเนะ้อ คิดดีทำดีพูดดีให้ศึกษาในวินัยถ้าเราบวชเข้ามาเราบวชมาเพื่ออะไรเราบวชมาเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านบ่กห้ามและอย่าทำครูบาอาจารย์ห้ามแระอย่าทำเราก็ต้องหยุดนะเพราะว่าทำวินัยหลักพระธรรมวินัยนี่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรานะเป็นของพระพุทธเจ้า คนเราเข้ามาในในกลุ่มนี้ในร่มเงานี้ในกฎระเบียบนี้ในกฎเกณฑ์นี้เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ถ้าว่าเราออกไปเป็นฆรวาสเราอยู่ในกฎหมายกฎเกณฑ์ของกฎหมายเราก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายกฎหมายเขาบอกว่ายังไงเขาไม่ให้ขายยาบ้ายาม마คัญชายาฟินอย่าไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงอันนั้นเรา กปฏิบัติตามเขาในเมื่อเราเข้ามาบวชเป็นพระก็อยู่ในอนุสาส์ทแปอย่างนิสัยสีอรรรณียกิจสแล้วก็ปฏิบัติตามปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตมีอะไรบ้างสินส2งีมีอะไรบ้า ง, ส, างสินอภิสมาจารมีอะไรบ้างเราก็ปฏิบัติตามสินและวินัยตามกฎกติกานะไม่มีอะไรลูกหลานถ้าเราอยู่ได้อยู่ด้วยกฎกติกาอันนี้แล้วนะ อยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นพราสุกศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องเห็นพระสงฆ์อยู่ในสีรายจรวัตอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกฎในอยู่เนในระเบียบพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมเขาเป็นช้างเท้าหลังก็สนับเป็นผู้สนับสนุนก็สวาย อ, อกสบายใจเราเพู อ, อยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล เ, เป็นผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เดี๋ยวจในกรอบหลักพระธรรมวินยัยนี่แหละถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยหลักธรรมโดยดักวินัยแล้วอย่างอื่นกฎหมายบ้านเมืองอยู่นอกๆ น, นะพระเนรลูกหลานนะ เ, เพราะว่าเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วกฎหมายบ้านเมืองนะอยู่นอกนะแต่ถ้าว่าเราผิดทั้งหลักรธรรมวินยัยโดยมากมันจะผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาไปด้วยเพรคะนั้นให้พวกเราส้ำรวมระวังนะ เออนี่แหละการบวชมาคราวนี้บางบางทีบางท่านบวชนวากะ3เดือนเราก็รู้อยู่แล้วเราจะบวชเพียง3เดือน เ, อเราควรจะสั่งสมบุญกุศลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วได้แต่อยู่ในฟอร์มหัวศีรษะล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้นแล้วก็การประพฤติการปฏิบัติเราอย่างนี้ใช้นิสัยคารวาดอยู่อันนั้นไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่า เราเข้ามาบวชเป็นพระถ้ า, าว่าใครได้ยินว่าเราเข้ามาแล้วมีพระใหม่บวชปีที่แล้วเนี่ยต้มมามากินกินของทำผิดวินยัยศรัทธาญาติโยมที่เขาใส่บาตรเขาก็แป้วในใจโอ้ตาย เ, เราคิดว่าพระอยู่ในวัดของเรา เ, เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยที่ไหนได้ทําไมพระของเราออกนอกลูก่นอกทางเนี่ย ศรัทธา ญ, ญาติโยมเขาทําบุญเขาก็แปลในใจเพราะนั้นเรา เ, ออรเวลาจะฉันแล้วก็ฉันให้อิ่มมันเป็นไรกูบาจาย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยออบวชมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยนะจนถึงปานนี้แหละหลวงพ่อเลยอย่างอ้วนท้วนสมบูรณ์อีกต่างหากบางทีฉันไปแล้วก็ยังอดออดออม่กลัวมันจะอ้วนกลัวมันจะเป็นไขมันไตเกลสลายคอเลสเอรอนมากเกินไปหลวงพ่อก็ยังได้ออดออมอีกต่างหากเนี่ย เพราะนั้นพวกลูกหลานไม่ต้องกลัวอดการบวชเข้ามาเนี่ยนะจะต้องอดทนมันต้องมีขันติคือความอดทนเป็นเบื้องต้นนะให้อยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละถ้าพวกเราอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วนะเมื่อเราออกไปเป็นฆราวาแล้วก็ภาคภูมิใจนะลูกหลานนะโอ้สมัยเราเป็นเราบวชเราปฏิบัติในหลักพระธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัดเลยเออพอออกไป นั่นแหะบุญกุศลที่เราทําในศีลในธรรมนีไปอยู่นสถานที่ใดเพราะเรารักษาศีลดีแล้วอนนี้สงศิ น, นั่นแหละจะเกือ้อกูลหนุนเราสีเลนะสุขติงยันติเราไปอยู่นสถานที่ใดศีลของเราที่รักษาเมื่อเราเป็นนักพจน์ักบวดเนี่ยจะส่งเสริมให้เราจะมีแต่ความสุขนะศีเลนะสุขติงยันติผู้จะมีความสุขได้กระเพราะศีลอันนี้สงศินเกื้อกูลหนุนสีเลนะโภก็สัมปทาน พวกเราจะมีโภคสมบัติได้ก็เป็นศินนี่แหละเป็นเพื่อเพื่เครื่องขั้วเครื่องกูลหนุนเอกสีเลยนะโพคสำประทานสีเลยนี่พุติงยันติมันเป็นต่อเนื่องไปจนถึงมรรคผลนิพพานอีกต่างหากการรักษาศินมันสืบเนื่องไปจนถึงมรรคผลนิพพานพรวันนั้นให้พวกเราอย่าไปมองข้ามเรื่องสีราจรวัรนะให้เป็นผู้มีสินเน่าพะเนรลูกหลานน้องนงทางหลายเน่า แล้วก็พร้อมกันศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเท่นี้เออก็อย่างน้อยก็ให้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีเออมันผิดกฎหมายบ้านเมืองก็อย่าทำถ้าทำเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนตนมันเดือดร้อนผู้อื่นพวกเราเป็นพุทธษศษาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะนะเราก็ต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี สำหรับคารวะญาติโยมคือศีลห้าเนี่แหละเป็นมาตรฐานนะ เ, เป็นมาตรฐานเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตของอสำหรับศรทัทธาญาติโยมอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดฆ่าสัตว์สัตว์ไหนที่มีคุณสัตว์ไหนที่มีอะไรก็ต้องเราต้องดูนะแล้วก็อย่าคิดฆ่าเนี่ยนะ เ, เป็นเบื้องต้นอย่าคิดขโมย อ, อย่าคิดระรละลาปลาร้วในสา ม, มีภรรยาคนอื่น อ, อย่ากโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา แลกระยาดื่มสุราคันชายาฝิ่นของหมินเมาให้ขาดสติและเมื่อเราขาดสติแล้วทำความชั่วได้เสียหายได้ง่ายอันนี้แหละคือกรอบของศีลธรรมขอให้พวกเราคณะสถานญาติโยมทุกคนนะให้ปฏิบัติตามศีล น, นี้แล้วถึงจะอยู่ณสถานที่ใดจะมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขและก็พร้อม ก, กันก็ก่อนหลับนอนอโทษวันเราเป็นพุทธศาสนิกชนน ะ, เ, ะเราก็ต้องไหวพระจักก่อนเนอะ ก่อนนอนนะเออนี่ยในพรรษานี่อีกเอาเถอะสองเดือนครึ่งเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านเอาเถอะข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่วันนี้ละตั้งแต่วันนี้ละเป็นต้นไปตั้งแต่ออสองเดือนครึ่งเนี่ยข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดอลาหังสวาวขาโตสุปฏิปันโนนะโมตตะออพุททางธรรมังสังขังจารนังคัดฉามิจารณกะแผ่เมตตา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 อยากนั่นกับภาวนาเนี่ยภาวนาให้ภาวนาพุโทโธนะเรามีอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สปีให้ภาวนายี่สิวันหนึ่งให้ให้ยี่20ครั้งก็ได้นะพุโทโธพุธโทโธนับข้อมือตัวเองนะนับข้อหนึ่งหนึ่งสองเออข้อมือหนึ่งมันก็สิบห้ใช่ไหมล่ะเออนิ้วหนึ่งมี3นิ้ว 1, 3, นะเอานับไปถึงจะนิ้วโป้งมีสองข้อก็เถอะนะให้นับเป็น3 3มซะหห้านะ จากนั้นเราก็นับอีกทั้งสองเอกเนีข้างหนึ่งเอก3 5มห้าเป็น30เอีเรานับได้30เอีให้นึกถึงพุโทโธให้ได้30ครั้งบางพวกเราผู้มีอายุ6กบเราก็นับให้ถึง60นะถ้ามีรูปประคมด้วยกว็ดีนะนับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้เท่ากับอายุของตนเองนะ หรือถ้ามากกว่านั้นก็นับเป็นเดือนก็ได้กี่เดือนนะถ้านับเป็นวันได้ก็ยิ่งตีน ะ, ะนะปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันน ะ, ะแล้วกว็เป็นกี่ปีก็คูณเข้าไปเลยทีนี้เราให้นับทั่วไอ้ทั่ววันของเราเ น, นี่แหละอันนี้ก็คือให้ภาวนามีพุทโธอยู่ในใจหกสิบหกสิบปีก็ให้ปีละพุทโธนะ อันนี้ก็รู้วแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตทั้งนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจนี่แหละเรื่องทานหลวกเราก็เคยทายํามาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นศีลคือกฎกฎติกาการอยู่ด้วยกันภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วก็นั่งกัดธรมาธินะบริกรรมพุโทโธนับข้อมือก็ได้ หรือว่าจะนับพุโทโธพุธโทโธไปเลยก็ได้นะอ่อหรือว่าจะภาวนาะกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธก็ได้หรือว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำํทำทําไม่ใจของเราจะมันเผลอมันเผลอได้ยังไงมันเผลอออกเวลาใดวะเอออย่างนี้เราก็หายใจเข้าบริกรรมหายใจเข้า1หายใจออกสองหายใจเข้า3แต่พอมันจะเผลอมันจะเบลเบลซะก่อนจะเริ่ม หายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขคี้ใช่ไหมล่ะหายใจออกเป็นเลขคู่คี้คู่ขี้คู่คี้คู่บางบางทีไม่ถึง10ไม่ถึง20ส่สวยด้วยซไปเนะี่ยมันเผ ล, ลเอเหระพอมันเผลอเนี่ยหายใจเข้าเป็นคู่หายใจหายใจออกเป็นขี้แล้ไหมเธไม่ได้มันมันมันข้ามเส้นแล้วกลับมาใหม่อีกนับ1นใหม่อีกให้ตั้งสติให้ดีเธอนี่ยแน่วแน่เข้าไป หลายครั้งต่อหลายหนจิตสติของเราก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ระเบวิธีการตั้งสตินะถ้าว่าเราเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วนะในเมื่อมีสติสัมปชัญญะก่อนใจของเราจะกาหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจจะเป็นสมาธิได้นะลูกหลานนะถ้าว่าใจของเราเบลอๆจิตใจของเราสติสัมปชัญญะของเราก็ไม่มีแล้วจะเราจะไปภาวนาเออให้ให้จิต ใ, ใจสงบ เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติของเรามันขาดนะเพราะนั้นเรื่องสติเป็นเบื้องต้นที่เดียวเหมือนก็กอก่อย่างนั้นแหะถ้าว่าเราจะไม่กระนาดกอรอย่างเรียนไม่ออกเราจะไปเรียนทุกหอนกโคกได้ยังไงถึงจะเรียนไปก็ไม่ได้ก็อก่มันอ่านไม่ออกอีกเพราะมันตัวสะกดมันอยู่เบื้องต้นเพราะฉนั้นเราต้องเรียนลําดับลําดับนี่ก็เหมือนกันการที่จะภาวนาการที่จะปฏิบัติ เรื่องสติสัมปชัญญะในต้องมาก่อนนะในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วนะเราจะกําหนดตัวไหนกําหนดลมหายใจเข้าออกกํำลังขาเก้าวขาขว า, ขาพดขาท้ายโถหรือว่าเราอยู่ในกับกิริยาอย่างไรในขณะนี้นะเราก็มองดูตนเองนะในเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วนะจากนั้นก็กําหนดอะไรในจิตใจของเราจะชอบเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งนะ แล้วจะนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาด้านปัญญาอันนั้นยัค่อยว่ากันอีกทีนี่เป็นขั้นตอนนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อขอแนะนําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวารู้สึกว่าอากาศถึงจะผฝนตกแกล้งนะแต่อากาศก็เริ่มร้อนเข้ามานั้นลูกหลานจะไม่รู้สึกใช่ไหมนี่แหละต่อเ น, นี้ไปก็การกล่าวและการพูดของหลวงพ่อในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพัะศรี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 ดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุเอาว่าไงเดี๋ยวตลงพ่อจะเป็นองค์นั่งปกนะให้พวกเราเป็นองค์ตัวเข้าใจกันนะได้พากันบําเพ็ญ <c oughs> <c oughs> กิจตภาวนาการแสดงออกทางกายท้งวาใจเนี่ยอ่าจะได้อันนี้สงพร้อมกันไปเลยนะเพื่อ รวมพลังกิจให้ครูบาอาจารย์ที่เก็บป่วยนะอยู่แล้วที่ต้องพ่อใหญ่ได้บอกให้พวกเราฟังอืจะได้หายวันไหนคืนกลับมาอยู่กับพวกเราอเป็นล้มเพลอมใช้หรือไปเป็นครูบาอาจารย์ควบพวกเราตลอดการนั้นไปนะเออจะพานําสวดพวกเราเนดะ้อสวดพร้อมกันไปเลยนะใช้เวลาไม่มากนะ หันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าน ะ, ะหันหน้าไปทางพระพุทธะนั่นนะเดี๋ยวความสํารวมปิดโทรศัพท์นะอย่าไปรบกวนคนอื่นอย่าไปพูดอะไรนะอั้งวรสํารวมมาไว้ด้วยดีให้เป็นบุญแก่ตนและคนอื่นเราสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตนแล้วจะแบ่งให้ใครล่ะทีนี้นะเออรวจพร้อมกันไปเลยนะ